มาค บ, บูชาจะแซงวาเลนไทน์เมื่อรักของนักให้มาแทนรักของนักหาความสุขธรรมกะถาเมื่อวันมาคา บ, บูชาวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551บ25ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชน ชาวพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะฝ่ายโยมคฤหัสถ์ที่ได้มีศรัทธามาทำบุญในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้คือวันมาคบบูชาซึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาวันบูชาสามวันที่ จัดกันมาเป็นประเพณีไม่เคยขาดตอนแต่ว่าที่ว่าไม่เคยขาดตอนนี่ก็นับมาเฉพาะในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมาคือเมื่อเกิดวันเหล่านี้ครบแล้วโดยที่เราก็เพลาหรือเหมือนกันบบางทีตัดไปวันหนึ่งคือวันอัตมีบูชา ก็ถือว่าวันอัตมีบูชานั้นเป็นวันที่เนื่องในวันวิสาขบูชาจากวิสาขบูชาแล้วก็เป็นนันว่าคลุมไปถึงวันอัตมีบูชาด้วยเพราะเป็นวันถวายพระเพลินวันประสูตรัสรุ ป, ปริณิพานเมื่อบริณิพานแล้วก็มีการถวายพระเพลิงต่อมาก็ถือว่าคลุมกันไปตอนนี้เราก็มีวันสําคัญถายบูชากันสามวัน คือวันวิสขาขบูชาวันประสูตรัสรุปปริณิพานวันมาคบูชานี้หรือถ้าจัดเรียงลาดั บ, ต, บตามเวลาเมื่อนับวิสขาขบูชาเริ่มวสาธบูชาแล้วก็เป็นนั้นว่าคลุมไปถึงวันอัฐมีบูชาด้วยเพราะเป็นวันถวายพระเพลิงวันประสูตรสรุปปริณิพานว่าปริณิพานแล้วก็มีการถวายพระเพลิงต่อมาก็ถือว่าคลุมกันไป ตอนนี้เราก็มีวันสำคัญทบูชากันสามวันคือวันวิสาขาบูชาวันประสูตรสรุปปรินิพานหรือถ้าจัดเรียงลำดับตามเวลาเมื่อนับวิสาขาบูชาเริ่มต้นก็ต่อ ด, ด้วยวันาสาระบูชาวันเทศนาพระธรรมจักรหรือมเทศนาแล้วก็มาลงมาที่วันมาคาบูชา ก็ครบเป็นสามวันนี้เป็นวันบูชานอกจากนี้วันสําคัญทางพุทธศาสนาก็เป็นวันทางด้านวินยัยอย่างวันเข้าวพรรษาอย่างที่เคยได้ทบทวนความรู้กันมาแล้ววันนี้เรามาถึงวันมาคาบูญชาโยมญาติวิสาทุชนก็ได้มีน้ําใจต่อพระพุทธศาสนาก็มาแสดงออกซึ่งความเคารพบูชาพระเจ้านตรยัย พร้อมกันนั้นก็เป็นการทำบุญกุศลถือว่าเป็นการเจริญบุญกุศลของญาติโยมเองและที่สำคัญก็คือว่าได้ชวนกันมาอย่างในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนเด็กๆลูกๆห ล, ลานๆมากันหรือบางทีอาจจะเป็นได้ว่าบางทีลูกหลานหรือเด็กๆ ก, ก็เป็นฝ่ายชวนคุณพ่อคุณแม่มาถ้าเด็กชวนคุณพ่อคุณแม่มาได้ก็เก่ง ก็น่าโมทนามากปีนี้ก็มีหนังสือออกมาใหม่เล่มหนึ่งเป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนพุทธศาสนาชื่อว่าชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไหว้พระบางทีหนูหนุอาจจะได้รับเลื่ก็ได้เนี่ยก็ถ้าหนูหนูชวนคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ได้เื่อๆก็ดีเลยไปทําบุญด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันในครอบครัวเนี่ยเป็นความเจริญกุศลอย่างดีทีเดียวแหละ แล้วก็วันมาคบูชานี่ที่จริงก็เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันมุ่งแห่งความสุขยังไงเดี๋ยวจะมาพูดกันนิดหน่อยอันนี้ระยะ น, นี้ยเมื่อใกล้วันมาคาบูชาก็ได้สังเกตอย่างหนึ่งว่าเวลานี้ทางการหรือว่าทางสื่อมวลชนก็เหมือนกับพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของวัน มาข้าบูชาเป็นต้นนี้มากขึ้นก็คงจะสัมพันธ์กับสภาพของสังคมนั่นแหละคือได้ตระหนักเห็นปัญห า, ต, าต่างๆในสังคมมากขึ้นแล้วเท่าที่ได้ฟังวิทยุในระยะใกล้ๆนี้นอกจากก็จะเน้นให้ประชาชนไปวัดไปเวียนเทียนวันมาข้าบูชาเป็นต้นแล้วก็พูดโยงไปถึงอีกวันด้วยคือวันวาเลนไทน์ ระยะที่ผ่านมานี้จะได้ยินคู่กันคล้ายๆว่าพูดถึงวันวาเวลนไทน์แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เห็นความสําคัญของวันมาคบูชากันให้มากขึ้นก็เป็นข้อที่มองเห็นมาในระยะสองสมปีนี้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าผู้ใหญ่ในบ้านบ้างก็เป็นห่วงเรื่องสภาพสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวนาเลนไทน์นี้ กันมากอยู่แล้วก็ได้มีความเปลี่ยนพยายามอันหนึ่งก็คือในแง่ของวันวาเลนไทน์เองทางบ้านเมืองทางการแล้วก็สื่อก็พยายามที่จะเบนให้มีกิจกรรมหรือมีการฉลองวันวาเลนไทน์นั้นในทางที่ดีงามมากขึ้น เช่นว่าให้ความหมายของความรักในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลและก็ให้ชวนกันแสดงออกในทางที่มีน้ําใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมเชนความรักในครอบครัวระหว่างลูกกับคุณพ่อคุณแม่หรือระหว่างเพื่อนก็นตามแหละแต่ให้เป็นเรื่องของควา ม, มเมตตาก็คือเป็นเรื่องของความรักด้วยคุณธรรมอันนี้นก็อย่างหนึ่งและพร้อมกับ น, นั้นก็ พยายามที่จะให้หันมาให้ความสําคัญกับวันมาคบูชาได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการประสบความสําเร็จก็ยังไม่ค่อยชัดเจนรู้สึกว่ากิจกรรมในวันวาเลนไทน์ก็ยังเป็นที่น่าวิตกกันมากอยู่และการที่จะหันมาสนใจวันมาคบูชาก็ยังไม่เป็นไปเท่าที่ควรทางสื่อมวลชนเองก็ยังบ่นปนอยู่เมื่อเช้านี้ฟังวิทยุรายการหนึ่งก็บอกว่า ตอนวันวาเลนไทน์แล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆเดินเป็นที่สนใจกันเหลือเกินแต่พอถึงวันมาคบุชาก็คนก็สนใจกันน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะได้รู้ตระหนักกันไว้มันก็คือเป็นเครื่องส่องแสดงไปถึงสภาพของสังคมนั่นเองในสภาพสังคมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีกําลังใจในการที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ในวันวาเลนไทน์นี้เมื่อเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วคนไทยเรานี้มีความสามารถอย่างหนึ่งมีมาแต่โบราณก็คือปรับตัวเก่งและรับสิ่งของภายนอกได้ง่ายอันนี้ก็เป็นประจักษ์หลักฐานอันหนึ่งที่ว่าคนไทยนี้รับของจากมุมนอกง่ายรับวันวาเลนไทน์ง่ายแต่ว่าก็ต้องแสดงความสามารถในการปรับตัวด้วยไม่ใช่ปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นอย่างเดียวแต่ปรับสิ่งนั้นให้เข้ากับวัฒนธรรมของเรา มัอนยังเราเคยมีการปรับตัวโดวยรับวันสงกรานต์เข้ามาเดิมสงกรานต์ก็คงไม่ใช่ของไทยหรอกเราก็รับเข้ามาแล้วก็ปรับให้เข้าเป็นของไทยได้อย่างดีแล้วก็ลอยกระทงก็เกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้แ น, น่เราก็จัดปรับจนกระทั่งเป็นของไทยมีวัฒน ธ, ธรรมอะไรที่ดีงาก็าหวังว่าคนไทยคงจะมีความสามารถ ในการที่จะปรับวันวาเลนไทน์นี้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยในทางที่ดีงามที่เป็นการสร้างสรรค์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึง่งเราก็มองไปในแง่ดีก็แล้วกั น, นก็ไม่ต้องไปว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเพียงข้อสังเกตอันหนึง่งแล้วตอนนี้อีกแง่หนึ่งก็คือระยะนี้จะสังเกตเห็นว่าฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะเป็นไปตรงเวลาอย่างวันนี้ก็กลายเป็นอากาศ กลับหนาวเมื่อว่านนี้ก็เริ่มหนาวทั้งๆที่เมื่อวันศุนย์นี้ค่อนข้างจะร้อนแล้วที่วัดนี้เมื่อวันศุนย์นี้เป็นวันแรกที่จักกจันร้องสําหรับปีนี้ปีนี้จักกจันร้องที่วัดนี้เมื่อวันศุนย์พอเริ่มร้องในวันเดียววันลูกขึ้นกลับหนาวก็เลยพูดกันว่าเออย่างนี้จักกจันตั้งตัวไม่ถูกกัน คือไม่รู้จะเอาอยัางไงกันปกติจักจักนทร์กก็ต้องร้องหน้าร้อนก็เป็นปัญหาอันนี้ก็แสดงถึงสภาพฤดูการที่มันแปรปรวนมาขับบูชาที่มาตรงฤดูหนาวหรืออากาศหนาวนี่หาได้ยากมักจะเข้าระยะฤดูร้อนแล้วแล้วก็อย่างจักจันทรที่นี่ก็สังเกตมาว่า ในแต่ละปีวันไหนจักรจันทร์จะร้องเป็นวันแรกบางปีนี่แกร้องตรงวันวาเลนไทน์พอดีวันที่สิบสี่กรุภาพันธ์แต่ปีนี้มาร้องเมื่อวันซื่อวันซื่อก็ร้อนหน่อยพอมาเมาื่อวานนี้อากาศเย็นลงก็เลยเอแล้วจักจันทร์จะทําตัวยังไงหนอพอถึงตอนเย็นก็สังเกตปรากฏว่าแทบจะไม่ร้องเลยมรอ้องอ น, นิดเดียวเสียงอ่อยๆ <laughs> วันนี้ก็ได้ยินร้องอยู่นิดหนึ่งเนี่ย อากาศเป็นอย่างเงี้ยแปลผันไปไม่ใช่เฉพาะพวกสัตว์เท่านั้นที่ว่าปรับตัวไม่ถูกแม้แต่ต้นไม้เนี่ยโยมสังเกตดูปีนี้สองปีที่แล้วนี่ก็เริ่มแปรปรวนหมดอย่างที่วัดเนี่ยต้นหางลกยูมที่เคยบานสะพรั่งในฤดูร้อนเดือนห้าเดือนหกอย่างต้นหลังวัดต้นหนึ่งเนี่ยเคยดอกสวยงามบานสะพรั่ง ปีที่แล้วนี้ตลอดฤดูร้อนไม่มีดอกเลยมีแต่ใบเขียวแล้วก็บางต้นมาออกดอกฤดูฝนแล้วต้นคูนก็เหมือนกันต้นคูนก็มาออกดอกฤดูฝนด้วยนยีก็เป็นเรื่องที่แปลกคือเวลานี้เหมือนกับว่าสัตว์ต่างๆและพืชเนี่ยปรับตัวไม่ถูกแล้วว่าจะอย่างไหนการฤดูกาลก็ดูกันไปสภาพของ ธรรมชาติก็แปรปลวนเราก็ประสบปัญหาที่เขาบอกว่าโลกร้อนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วปัญหาสังคมก็เหมือนกันมากขึ้นเมื่อปัญหาสังคมมากก็สัมพันธ์กับปัญหาทางจิตใจด้วยก็ถือว่าเรามาอยู่ในยุคนี้โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเกิดมาในยุคนี้ต้องถือว่ามีโชคดีทําไมจึงว่าโชคดีโชคดีอันที่หนึ่งก็คือได้พบของแปลกแห แปลกที่คนยุคอื่นจะไม่ได้พบแต่ที่โชคดีวันนั้นก็คือว่าจะได้มีโอกาสทำแบบฝึกหัดได้พัฒนาตนอย่างดีคือถ้าเรามองเห็นปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามแก้ไขเราต้องเป็นนักแก้ไขปัญหาและสร้างสรร์เมื่อปัญหามันมากเราแก้ได้เราก็พัฒนาตัวได้ดีคนที่จะเก่งก็อย่างที่ว่าต้องทำแบบฝึกหัดมากๆ ในยคุคนี้มีแบบฝึกหัดให้ทําเยอะเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยต้องมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปัญหาต่างๆนั้นเป็นแบบฝึกหัดให้เราแก้ไขและเราก็จะได้สร้างสารรค์แล้วเราจะพัฒนาตัวได้มากถ้าปัญหามันหนักนักเราแก้ได้นี่ถึงขั้นเป็นการบําเพ็ญบารมีเลยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาจนตรัสรู้ได้ก็เพราะต้องเผชิญปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลย ถ้าใครไม่ได้เผชิญปัญหาที่ยิ่งใหญ่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็ามาเป็นมังคุตจ่าไม่ได้แต่ในคนที่เจอปัญหาใหญ่นี่ก็ต้องมองว่าเราโชคดีที่เจอปัญหาเข้าแล้วแล้วก็พยายามแก้ปัญหากันไปแล้วก็ใช้สติปัญญาแต่อย่าไปท้อถอยอย่าไปอ่อนแอเนีหรือก็ใหญ่ไปตกหลุมมันนีอย่าพลอยถูกสิ่งเหล่านั้นชักดูงเราไป สิ่งเหล่านั้นยิ่งแรงเราก็ยิ่งเข้มแข็งใหญ่อย่างนี้แล้วก็ไปได้เราเองก็จะได้พัฒนาตัวจนกระทัง่งถึงขั้นเราเป็นบารมีอย่างที่ว่าแล้วก็จะได้สร้างสารรค์สังคมประเทศชาติไปด้วยนี้มาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาหาหลักที่จะมาช่วยเราในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีมาช่วยกันแก้ปัญหาของชีวิตของสังคม และสร้างสรร์ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนโลกนี้ให้เจริญ ง, งอกงามต่อไปแล้ววันมาคาบุชานี่ก็มีประโยชน์ให้คติกับเราเยอะแยะแล้วก็ขอย้อนไปที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยในระยะเวลาที่แล้วมาเนี่ยสองสาปีก็มีผู้พยายามที่จะโยงความหมายของวันมาคาบุชาเนี่ยให้ไปเชื่อมต่อกับวันวาเลนไทน์ เพราะวันวาเลนไทน์นี่เป็นวันแห่งความรักเราก็บอกกันว่าเนี่ยวันมาคบบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักแท้หรือเป็นความรักที่สาบกลนี่ก็เป็นแง่มุมงที่พยายามกันมาแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่ที่จะให้คนหนันมาหาความรักแบบมาคบบูชานี่เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าความรักแบบมาคบูชานี่เป็นอย่างไร ดียังไงถึงได้สมควรมีค่าควรที่เราจะพยายา ม, มาหาความรักแบบมาคบุชาแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้อีกที่จริงก็เป็นการเพียงทบทวนกันก็อยากจะพูดถึงสาระสำคัญบางอย่างของมรรคบุชาซึ่งในที่นี้จะไม่ลงลึกไปถึงรายละเอียดของมรรคบุชาหรอก ก็เอาบางแง่คือสาระสําคัญของวันมาฆบูชาเนี่ยพูดได้หลายแง่เลยคือแง่ที่ควรจะพูดถึงในวันนี้ก็คือวันมาฆบูชานี่เป็นวันที่บรรจบของอุดมคติสองอย่างของพระพุทธศาสนาอุดมคติอะไรเอาดูในคาถาโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในวันมาฆบูชาเนี่ยเอาเฉพาะที่จุดสําคัญ ข้อความที่บ่งถึงพุดมกติของพุทธศาสนาก็คืออะไรสูงสุดก็จะชัดเจนขอทวนให้ฟังเป็นภาษาบาลีนิดหนึน่งขันตีประระมังตะโปตีติขานิพพานังประระมังวทันติพุท ธ, ธาหิปปัพพิโตป ร, รูบคาตีสมโนโหติประรังวิเหทยันโตเอาแค่นี้พอ สมคาถากึ่งนี่เอาแค่นี้ก่อนนี่ข้อความที่บอกสิ่งที่ถือเป็นอุดมคติหรือสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาก็ข้อความว่านิพพา น, นังปรมังวทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นยอดยิ่งปรมังวทันติบางท่านก็อาจจะแปลว่าเป็นบรมธรรมก็อันเดียวกันแหละก็คือเป็นธรรมที่สูงสุด ก็คือพุทธศาสนาถือนิพพานาเป็นสูงสุดนี่คือดมคติที่กล่าวไว้ในวันมาคาบุชาก็เหมือนกับว่าซักซ้อมทบทวนกับที่ประชุมว่าให้รู้จุดสำคัญหรือหลักการสำคัญของพุทธศาสนาแล้วก็รู้จุดหมายสูงสุดว่าคือพระนิพพานนี่เป็นอุดมคติที่กล่าวเป็นข้อความที่จัดออกมาชัดในวันมาคบุชาในคาถาโอวัถปาติโม เอาและเป็นอุดมคติด้านหนึ่งอุดมคติอันนี้ถือว่าเป็นอุดมคติในการพัฒนาตัวของบุคคลจุดหมายของบุคคลในการพัฒนาตัวก็คือให้ถึงจุดสูงสุดนี้คือพระนิพพานนี้คตินี้อุดมคติจะไปบรรจบกับอุดมคติอันหนึง่งซึ่งเป็นสาระของการประชุมนี้ที่ไม่ต้องพูดถึง การประชุมนี้ก็คือการประชุมที่เลขาธิการตุโลงปรสนิบาตแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงซักซ้อมหลักการของพระพุทธศาสตร์สนาทบทวนกับพระอรหันต์ทั้งหลายพระที่มาในที่ประชุมนั้นเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็หมดกิจที่ต้องทำเพื่อตัวเองก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพผานนางประมังวันติพุทธา ที่ว่านิพพานเป็นธรรมะสูงสุดหรือสุดยอดในพุทธศาสนานั้นท่านเหล่านั้นที่มาประชุมนั้นก็ได้บรรลุ ก, กันหมดแล้วทีนี้ท่านเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่อไปคืออะไรงานของทุก ท, ท่านนี้ก็คือการออกไปเผยแพร่ธรรมะการไปเพื่อไปสั่งสอนประชาชนคตินี้รู้กันอยู่ในใจโดยไม่ต้องบอก เพราะว่าพระพุทเจ้าตรับไปแล้วตั้งแต่ทรงภาษาวรรุ่นแรกออกประกาศศาสนาพอพระษาวกชุดแรกนี่มีห0สิบรูปเป็นพระอาหารหันต์หมดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นอิสระสิ้นเชิงแล้วท่านใช้คำว่าพ้นแลจากบ่วงทั้งบ่วงมนุษย์และบ่วงทิพย์เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ก็ทำเพื่อประโยชน์กัชาวโลก นั่นก็ตัสเป็นพุทธพจน์ ท, ที่ทรงพระษาวกออกประกาศศ า, าสนาซึ่งหลายท่านจําได้แม่นยำที่บอกว่าจะรัฐพิขเวจาริกังพระอุชนาอิตาย ะ, ะอุชนาสุขายะโลกานุกรรมปายะอันนี้เป็นเอาเฉพาะข้อความสําคัญบอกว่าเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พระผูชนด้วยเกื้อการุนแก่ชาวโลก อันนี้ก็คืออุดมกติของพระอรหันต์หมายความว่าพระอรหันต์หมดกิจที่จะทําเพื่อตนเองแล้วพระอรหันต์ก็คือผู้มีคุณสมบัติที่สําคัญไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตนเองแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตต่อจากนั้นก็ทําเพื่อชาวโลกอย่างเดียวในคตินี้ พ, ทพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีภาษาบกได้เป็นพระอรหันต์ชุดแรกและส่งไปด้วยคํานี้ในหลักการหรืออุดมกตินี้ก็เป็นหลักการ สำคัญในพุทธศาสนาสืบมาจนกระทั่งมาประชุมในวันมาคบุชาจาตุรงคสกนิบาดนี้มีพระอาหารหันต์มากมายคราวนี้ก็ถือว่ารู้กันแล้วสำหรับอุดมคตินั้นก็มาพูดถึงหลักการที่จะเอาไปสอนและ ว, ว่าจะสอนอะไรบ้างหรือหลักการปฏิบัติของผู้สอนเป็นอย่างไรอะไรต่งตางๆเหล่านี้ก็มาจัดเพราะว่าตอนนี้มีภาษาวกมากมายแล้วก็ให้เป็นแบบแผนอันเดียวกัน เราก็พูดได้ว่าวันมาขาบูชาก็เป็นที่บรรจบของอุดมกติสองอย่างนี้คือพุทธศาสนาก็จะมีอุดมกติที่เพื่อบุคคลคือตนเองกับเพื่อผู้อื่นเพื่อตนเองก็คือพัฒนาตนจนบรรลุนิพพานแล้วก็เพื่อผู้อื่นก็คือเมื่อตนเองนิพพานได้ก็ทำการผู้โลกได้เต็มที่แต่ระหว่างนั้นก็บเพ็ญประโยชน์ แก่ชาวโลกแก่ผู้อื่นเป็นการพัฒนาตัวไปด้วยคือสําหรับผู้ที่ได้ยังไม่บรรลุจุดหมายพุทธศาสนาเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นการทําประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยเป็นการพัฒนาตนไปด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างเนี่ยทำไปด้วยกันคือไม่แยกจากกันการทําประโยชน์กับผู้อื่นก็เป็นการทําเพื่อตนใช่ว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราอยากให้คนอื่นมีความสุขเราไปช่วยเหลือเขาก็คือเราพัฒนาตัวเอง ก็เราทําให้ชีวิตของเราดีงามมีคุณสมบัติยิ่งขึ้นก็แค่เรามีเมตตาเราก็พัฒนาตัวเองให้จิตใจดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นจิตตภาวนาจิตตภาวนาอะไรล่ะพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจทําไงทําจิตใจเขาคุณให้มีเมตตากรุณาบุติตาเป็นต้นอ้าวเวลาคุณพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตตัวเองคุณก็ต้องไปทําความดีต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นการทําเพื่อผู้อื่นกับการทําดีเพื่อตัวเองก็เลยเป็นเรื่องเดียวกัน แต่สําหรับพระอาหารหันต์และท่านหมดภาระที่ต้องทำเพื่อตัวเองก็ได้ทําเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวกันนี้สําหรับตอนมาพระบูชานี้ผู้ที่มาในที่ประชุมเนี่ยเป็นผู้บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอันนี้คือจุดบรรจบของพุทธศาสตร์ศาสนาะทีนี้เอาละเรามาเข้าใจหลักการใหญ่อันนี้เราก็จะมาโยงกันได้กับเรื่องของความรักอันนี้ที่พระ พุทธเจ้าตรัสให้ภาษาวกไปประกาศศาสนาเนี่ยไปเพื่ออะไรบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อตูนและความสุขแก่ชาวโลกแก่รผูชนก็ไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาอะพูดง่ายๆก็คืออยากให้เขามีความสุขก็ไปตัวคุณธรรมที่มีในใจที่จะทําให้เขามีความสุขก็คือเมตตากรุณา เพราะมีเมตตากรุณาก็เลยไปพยายามทำให้เขาเป็นสุขแล้วเราแปลว่าไงเมตตากรุณาเมตตาก็ความรักความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขความอยากให้คนอื่นเป็นสุขเรียกว่าเมตตา <Yeah. S 1> ก็เลยมาเริ่มกันที่นี่ว่าอุ ด, ดมคติสาคาญหนึ่งก็คือไปทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแล้วตนเองล่ะนิพพานนิพพานคือยังไงนิพพานังประมาณสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เป็นบรมสุขเป็นสุขสูงสุดก็หมายความว่าพระอรหันตุทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ไดพัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุจุดหมายพุทธศาสนาเป็นผู้ที่หมดทุกมีความสุขสูงสุดแล้วก็กลายเป็นตัวเองก็มีความสุขและกําลังจะไปเพื่อช่วยคนอยู่ให้มีความสุขทําไมจึงเรียกว่นิพพานเป็นความสุขสูงสุดหรือบรมสุขก็เพราะว่า เป็นความสุขที่อยู่ในตัวเองเป็นความสุขที่มีในตัวตลอดเวลาโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างอันนี้สาคัญนะโยมต้องคิดความสุขของคนทั่วไปนี่จะเป็นความสุขประเภทต้องหาเราจะพูดกันอยู่เรื่อยหาความสุขหาความสุขถ้าตราบใดเรายังหาความสุขเนี่ยเชื่อเถอะโลกนี้ยังต้องเป็นปนัญหาเพราะว่าเมื่อคุณหาความสุขคุณก็ต้องแย่งความสุขกัน มอแย่งความสุขกันก็ฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทุกข์คนหนึ่งได้คนหนึ่งก็เสียฉะนั้นโลกนี้เวลานี้เป็นโลกแห่งการหาความสุขแต่ว่าพุทธศาสนาต้องการทำคนให้มีความสุขอยู่ในตัวนั้นเราก็จะต้องพัฒนาตนพัฒนามนุษย์จากนักหาความสุขไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่มีความสุขและไม่ใช่แค่นั้นนะ จะกลายเป็นผู้ให้ความสุขคือเมื่อตัวเองไม่ต้องหาความสุขแล้วมีความสุขในตัวเองทีนี้ก็ไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าไม่มีความสุขแล้วจะเอาความสุขที่ไหนไปให้อันนั้นอันเนี้ยสิสำคัญก็คือพุทธศาสนาก็จิงเน้นในระหว่างที่คุณหาความสุขคุณจะต้องพยายามไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฉันไม่ว่าหาความสุขไปแต่ว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่น แล้วคุณก็พยายามที่จะพัฒนาตัวให้มีความสามารถที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นให้เป็นผู้สามารถสร้างความสุขขั้นที่หนึ่งเนี่ยเรายังเป็นนักหาความสุขต่อไปเราจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะสร้างความสุขเวลานี้เราไม่ได้เน้นเรื่องนี้การศึกษาเนี่ยสำคัญมากในการที่ทำคนให้มีความสามารถในการสร้างความสุขให้แก่ตัวเองได้ แล้วสร้างความสุขให้ตัวเองได้ก็สามารถให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเป็นสุขและตอนนี้เราก็จะมีคุณธรรมที่เรียกว่าความรักที่แท้ความรักที่แท้ก็คือความอยากให้คนอื่นเป็นสุขแล้วก็พยายามไปทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็เป็นความหมายของธรรมะที่เรียกว่าเมตตา ก็เลยมาถึงความหมายของความรักนี่แหลเรื่องความสุขกับความรักเนี่ยต้องถึงกันเรามีความรักความหมายของความรักเนี่ยต้องโยงไปที่ความสุขจริงไหมจริงลองพิจารณาดูเรารักใครอ้าวเพราะอยากได้เขามาแล้วเราจึงจะเป็นสุขถ้าไม่ได้เขามาแล้วไม่เป็นสุขไม่ได้สิ่งนี้มาไม่เป็นสุขรักเขาเพราะอยากให้ตัวเองเป็นสุขแลวนึกว่าถ้าได้สิ่งนั้นคนนั้นมาแล้วตัวเองจะเป็นสุข เนี่ยที่รักก็เพราะว่าอยากได้ความสุขอันนี้ก็เป็นความรักทั่วไปเราก็เลยหาความสุขกันใหญ่ <l ug> แล้วก็เราก็ชอบแล้วเราก็รักสิ่งที่เราชอบใจว่าจะให้ความสุขแก่เราได้เราก็เป็นนักหาความสุขกันอยู่อย่างเงี้ย <l ug> ความรักที่สัมพันธ์กับความสุขแับ น, นี้ก็คือความรักในความหมายที่ว่ารักคือชอบใจสิ่งนั้นผล น, นั้นเพื่อเอามาทาให้เราเป็นสุขก็เป็นเรื่องของการหาความสุขทีนี้ พอว่าพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วมีความรักชนิดนใหม่ก็ถือว่าความรักอยากให้เขาเป็นสุขก็ยกตัวอย่างอยู่เสมอแหละพ่อแม่ี่เป็นตัวอย่างของรักของพ่อแม่คือลายรักของพ่อแม่ก็คืออยากให้ลูกเป็นสุขลูกไปสุขพ่อแม่ก็เป็นสุขด้วยอันนี้แน่นอนถ้าลูกไม่มีความสุขพ่อแม่ก็ทุกใหญ่เลยทุกยิ่งกับลูกอีก ดันั้นจุดหมายของพ่อแม่ความรักของพ่อแม่ก็คือทำไงจะให้ลูกเป็นสุขแต่ว่าความรักอีกแบบหนึ่งนั้นไม่ได้อยู่ที่ทำให้เขาเป็นสุขแต่ทำไงจะให้ตัวเป็นสุขอันเนี้ยความรักสองแบบทีนี้ปัญหาของวันวาเลนไทน์เนี้ยก็คือเป็นความรักของคนหาความสุขสมะมันก็เลยเกิดปัญหากันอยู่เนี้ยเราก็เลยเป็นว่าทำไงจะให้ ความรักในวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาสู่ความรักที่ดีงามระณี้เป็นคุณธรรมก็คือความรักที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขเราจึงให้เออให้พ่อแม่หรือลูกโดยเฉพาะลูกเนี่ยเอาอะไรเอาดอกไม้เอาดอกกุหลาบมาให้คุณแม่คุณพ่อแสดงความรักของลูกความรักของลูกที่แท้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นสุข อันนี้ความรักแบบนี้ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาได้โลกนี้ก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความรักในแนวทางเดียวกับพระอารหาันต์ทั้งหลายแล้วจึงมามาถึงความหมายของวันมาคาบุชาที่ว่าทำไมจึงสามารถเป็นวันแห่งความรักได้ก็คือความรักที่ว่าพระอารหาันต์ทั้งหลายนั้นท่านก็มีความรักก็คือความรักแท้ที่อยากให้คนอื่นปสุขแล้วท่านก็ปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ว่าเออต้องออกจากริกไป เพื่อไปสั่งสอนแนะนำวิธีดำเนินชีวิตวิธีปฏิบัติตัวอยู่กันยังไงให้มีความสุขก็ขอยากให้เขามีความสุขก็เลไปเที่ยวสั่งสอนถ้าหากว่าพระสั่งสอนด้วยจิตใจที่มีเมตตาธรรมมีความรักที่แท้อยากให้เขาเป็นสุขเนะี่ยเวลาพระไปสอนพระก็จะมีความสุขด้วยเหมือนกับพ่อแม่ที่ว่า อยากเห็นล yeah. ูกมีความสุขแล้วพยายามทำอะไรให้ลูกมีความสุขเห็นลูกมีความสุขยิ้บได้พอแม่ก็มีความสุขปลาบรื่มใจเพราะนั้นคนที่มีความรักแท้อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ยก็จะเป็นสุขได้ด้วยเมื่อเห็นคนอื่นเป็นสุขความสุขของคนก็เลยเป็นความสุขที่ประสานกันไม่เหมือนความสุขของนักหาความสุขความสุขของนักหาความสุขได้เป็นความสุขประเภทแย่งกันใช่ ถ้าเราได้เขาเสียเราสุขเขาทุกข์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสุขแบบความรักแท้นี่จะสุขด้วยกันเขาสุขเราจึงสุขไม่ใช่ว่าเราสุขเขาจะทุกข์หรือว่าถ้าเขาสุขเราก็แย่เราเขาได้เราอดเขาสุขเราก็ทุกข์นั้นนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องพัฒนาคนกันอันนี้เราก็เผื่อแผ่เอาความหมายความรักที่แท้ ของวันมาท้าบูชาเนี่ยไปขยายให้แก่วันวเวรไทัยซะว่าเออเราก็เผื่อแผ่ให้วันวเวรไทัยเนี่ยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจากความรักของนักหาความสุขมาเป็นความรักของนักให้ความสุขนักเผื่อแผ่ความสุขเราก็ต้องพัฒนาคนกันขึ้นไปเรื่อยๆความสุขของมนุษย์เนี่ยมันก็มีเป็นหลายระดับอย่างความสุขของพระหารทําไมท่านมีความสุขอยู่เสมอ คือเป็นผู้มีความสุขขอย้ำอีกทีไม่ใช่เป็นผู้หาความสุขมนุษย์จะมีความสุขทแท้ก็อย่างที่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในตัวเองเมื่อมีความสุขในตัวเองมันก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขเนี่ยแบ่งง่ายๆแบบมีสองชนิดคือความสุขชนิดที่พึ่งพากับความสุขที่เป็นอิสระ ถ้าเราเป็นนักหาความสุขก็หมายความว่าความสุขของเราเนี่ยต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระต้องพึ่งพาเช่ SEE นว่าอย่างแรงก็คือคนที่มีความสุขด้วยยาเสพติดก็ความสุขของเ ข, ง ข, ง ข, ง ข, งขาก็พึ่งพาต้องขึ้นต่อสิ่งเสพติดถ้าไม่ได้สิ่งเสพติดเขาก็ทุกข์แย่สิดินลลน้นรนทุรนทุรายแย่แต่ต้องได้สิ่งนั้นแล้วเ้าจึงจะมีความสุขความสุขขอ ง, ของเขาก็าไม่เป็นของตัวเองไม่เป็นอิสระขึ้นต่อยาเสพติด แต่ไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ทั่วไปนี่แหละวัตถุสิ่งเสพบริโภคนี่คนทั่วไปก็โดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคบริโภคนิยมความสุขก็ขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคเราต้องมีสิ่งเสพบริโภคแล้วก็ตามหาสิ่งเสพบริโภคที่มีปริมาณและดีกรีเพิ่มสูงขึ้นและเราจึงจะมีความสุขเพราะนั้นความสุขของเราก็พึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกทีนี้ต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมาชิมขึ้น ปริมาณเดิมดีกรีเท่าเดิมนี่ไม่สุขและชินชาเบื่อต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีของสิ่งเสพบริโภคนั้นหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็เลยยิ่งพึ่งพาหนักเข้าไปจกนกระทั่งหมดความสามารถที่จะมีความสุขตอนนี้แย่เลยเป็นคนที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่และชีวิตไม่มีความหมายคนสมัยนี้ที่ฆ่าตัวตายมากครับเพราะอันนี้ด้วยเพราะาชีวิตมันไม่มีความหมายและไอ้สิ่งทั้งหลายที่จะเคยให้ความสุขที่เป็นความหวังอะไรจะอะไรมันไม่มี มันหมดความหมายมันเบื่อมันนายไปหมดดังนั้นก็เป็นการพัฒนาในทางที่ผิดพลาดก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งภายนอกจนกระทั่งว่าไม่มีสิ่งนั้นเราอยู่ไม่ได้มีแต่ความทุกข์อันนี้นอกจากว่าขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าหมดความสามารถที่จะมีความสุขแต่ก่อนนี้ในตัวเองยังมีความสามารถที่จะมีความสุขบ้างต่อมานี้ กลายป็ว่าความสุขนั้นไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเลยความสามารถที่จะมีความสุขในตัวเองหมดไปสู้เด็กๆเล็กๆเกิดมาใหม่ๆก็ไม่ได้เด็กเล็กๆเกิดมาใหม่ๆก็ยังมีความสุขมีความสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายทีนี้คนที่ปล่อยตัวไปไม่พัฒนาตัวเองในแง่ความสุขไม่พัฒนาเลยก็เลยปล่อยชีวิตขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคความสุขของตัวไปฝากกับสิ่งภายนอกหนักเข้าหนักเข้าตัวเองก็หมดความสามารถที่จะมีความสุข ความสุขไปฝากขึ้นต่สิ่งภายนอกหมดเลยดังนั้นความสามารถที่จะมีความสุขก็เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นหน้าที่ของการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขและความสามารถนี้อันหนึ่งก็คือสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้ตนนะ้ตอนแรกนี่มนุษย์ยังไม่พัฒนาความสุขก็เพึ่งพาสิ่งเสียเปรีย ภ, ภายนอกเรียกว่าเป็นความสุขจากสัมผัส หรือผัสสะทั้งห้าต่อมาพัฒนาขึ้นก็มีความสามารถที่จะสร้างสุขขึ้นมาให้กับตนเองแล้วต่อมาขั้นสุดท้ายก็คือมีความสุขอยู่ในตนเองตลอดเวลาโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างนั่นคือพระอาหารหันต์ถ้าเราพูดถึงพระอาหารหันต์วิธีพูดอย่างหนึ่งก็คือผู้มีความสุขในตนเองโดยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างแล้วเราพูดในแง่ความสุขเพราะคนในนี้มองพระนิพพานไม่เข้าใจมองเป็นเรื่องดับโน่นดับนี่ ความจริงความหมายที่สําคัญแง่หนึ่งก็คือเรื่องความสุขเขาบอกแล้วนี่นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเ ป, ป็นปรรมสุขอาทําไมเป็นปรรมสุขล่ะเพราะสุขยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องหาพระพุทธเจ้าจะจาริกไปไหนจะลําบากเหนื่อยเลยอะไรพ ก, ก็ไม่มีความทุกขน์นี่จะนั่งไหนก็เคยเล่าให้โยมฟังหมดแล้วมีตาคนหนึ่งเข้ามาพบพระพุทธเจ้าแล้วบอกโอ้นี่ท่านมันนอนกลางดินกินกลางทรายไปทุกข์ลำบากเลือเกินเนี่ย โอไม่ได้ความพระเจ้าก็ถามบอกว่าคุณเห็นว่าใครมีความสุขเอาลองบอกมาสิใครมีความสุขที่สุดในโลกบอกว่านั้นอิตาคนนั้นเอ๊ะไม่นึกก็จะเจอคําถามแบบนี้นึกอยู่พักหนึ่งเอ๊ะใครน้อมีความสุขที่สุดในโลกก็นึกถึงว่าอ๋อต้องพระเจ้าผู้พิสารแกอยู่ในแคว้นมังคุแกก็นึกถึงพระเจ้าเป็นดินขอแกแกก็บอกว่าพระเจ้าผู้พิสารมีความสุขที่สุด พุทธเจ้าก็เลยย้อนแกบอกว่าเออนี่นะให้พระเจ้าพิพิสารมานั่งนิ่งๆอย่างเราเนี่ยมีความสุขทั้งวันได้ไหมแต่คนนั้นคิดไปแล้วบอกไม่ได้บอกตกลงใครมีความสุขมากกว่ากันอนันพุทธเจ้าไม่ว่าจะนั่งนิ่งหรือทำอะไรอยู่ในอิริยาบทไหนสุขทั้งหมดไม่มีทุกข์เลยเนี่ยนิพพานก็คือภาวะจิตในแง่หนึ่งก็คือภาวะจิตที่มีแต่ความสุข มีความสุขเป็นคุณสมบัติภายในไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างเราก็ต้องพัฒนาคนให้ก้าวไปในความสุขแบบนี้อย่างน้อยก็คือว่าต้องมีความสำนึกมีสติคอยตรหนักไว้ว่าจะปล่อยตัวหลง ล, ล้งให้ขึ้นต่อสิ่งเสพบริโภคเอาความสุขไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกต่อไปร่างกายก็เรามาเปลี่ยนแปลงไปนะเจนแก่เท่าชาราเนี่ย ตาหูจมูกดินทะาเลียกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่เป็นใจกับเราในการเสพบริโภคละจะหาความสุขจากสิ่งเสพบริโภคไม่ได้แล้วคุณจะอยู่ยังไงก็าตายสิทำไมความสุขไปฝากไว้กับสิ่งเสพบริโภคอินทรีย์มันใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องไปถึงแก่ชราหรอกแค่เจ็บไข้แต่นั้นนะบางคนพอเจ็บไข้ก็อาหารที่เคยอร่อยก็เบื่อตาดูหูฟังอะไรก็ไม่เอาด้วยแล้วตอนนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยฝึกเลยไม่เคยพัฒนาตัวเองในแง่ความสุข นี่คนที่พัฒนาตัวเองในแง่ความสุขไว้ไม่กลัวอา้าป่วยก็ป่วยสิเออป่วยเราก็มีทางสุขของเราเราสร้างความสุขเองได้เนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคใช่ไหมเราก็สร้างความสุขภายในถ้าเราพัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปเราก็หมดทุกข์ไปเลยเราก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่อย่างน้อยอันหนึ่งก็คือต้องตั้งคําถามว่าเมื่อเราอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเราเป็นคนที่สุขง่ายขึ้นหรือไม่หรือทุกข์ง่ายขึ้น แค่นี้ตอบได้ไหมถ้าคนที่เก่งจริงมีการพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นสุขง่ายขึ้นก็คุณมีชีวิตเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราบอกมีการศึกษาพัฒนาตัวพัฒนาชีวิตแล้วคุณพัฒนาอย่างไรอยู่ไปอยู่ไปคุณสุขได้ยากยิงขึ้นและทุกง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ว่ากันว่าเด็กสมัยเนี่ยสุขได้ยากขึ้นแล้วก็ทุกได้ง่ายขึ้น อย่างนี้แย่แล้วแสดงว่าสวนทางการพัฒนาใช่ไหมอันนี้เป็นบททดสอบที่สำคัญโดยเฉพาะท่านจะอยู่ในวงการศึกษาต้องตอบให้ได้ว่าเด็กๆ เ, เนี่ยอยู่ไปแล้วต้องสุขง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นแต่ถ้ามันตรงข้ามสุขได้ยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นอย่างนี้สอบตกแน่นอนเลยเนะและเวลานี้ถ้านสอบกันจริงๆต้องตกเยอะเลย นั่นเราจะบอกว่ายุคนี้พัฒนาอะไรหรืใช่ไหมพัฒนาที่แท้ต้องพัฒนาที่ตัวคนดิแล้วคนนี่เราต้องการให้มีความสุขที่เที่ยวหาที่วสร้างอะไรขึ้นมาต้องการให้มีความสุขแล้วคนมันมีความสุขยากขึ้นและมีความทุกข์ง่ายขึ้นมันก็หนีสิ่งที่เราสร้างหมดสิถ้าเราสร้างขึ้นมาทําไมจะให้เขามีความสุขแล้วเขาสุขยากขึ้นเขาจะสุขได้ไงละไอของมันมากขึ้นจริงแต่ว่าตัวเขามันสุขยากขึ้นใช่ไหม นั่นผลที่สุดสร้างไปเขาไม่มีประโยชน์นั้นคุณสร้างวัตถุสร้างสิ่งที่จะมาช่วยทำให้คนมีความสุขก็ต้องพัฒนาคนให้มีความสุขง่ายขึ้นด้วยทุกระยากขึ้นนั้นการพัฒนาของพระพุทธเจ้านี่พัฒนาคนให้นอกจากหาสิ่งมาสนองความต้องการให้มีความสุขภายนอกแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะมีความสุขได้มากขึ้นด้วยให้เป็นคนที่สุขง่ายขึ้น แล้วต่อไปมาสุขง่ายขึ้นก็กลายเป็นในที่สุดจะสุขได้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างก็ตอนนี้นี่แพระอรหันต์แหละเพราะฉะนั้นความหมายของพระอรหันต์ในแง่นหนึ่งก็คือผู้ที่มีความสุขอยู่ในตนเองตลอดเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างแล้วนะครัพัฒนาคนอย่างเงี้ยแล้วความรักมันก็มาประสานกับความสุขที่จริงความรักกับความสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เรารักก็เพราะอยากได้ความสุข แต่ว่าความรักที่แท้ก็อย่างที่บอกกลายไปว่าความรักของผู้มีความสุขกลายเป็นความอยากให้คนอื่นไปสุขจะแล้วเอาล้วนะตอนเนี้การพัฒนามนุษย์เพราะนั้นวันวาเวลนไทน์นี้จะมีความหมายที่แท้จริงก็คือเราต้องไปช่วยเขาพัฒนามนุษย์จากการเป็นนักหาความสุขจากการมีความสุขชนิดที่ว่าต้องเอาความสุขต้องได้ความสุขต้องได้สิ่งที่ตัวชอบใจมาทําให้ตนไปสุขเนี่ย มากลายเป็นว่าเป็นผู้ที่มีความสุขได้ตนเองมากขึ้นหรืออย่างน้อยสามารถสร้างความสุขได้มากขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่จะเผือแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นจากการเป็นนักหาความสุขก็ให้เป็นนักให้ความสุขนี้เราก็มีนะการทำเป็นสั ญ, ญลักษณ์อย่างให้ดอกบุหลาบก็เหมือนกับว่าจะให้ความสุขแก่เขาแต่ว่าในใจจริงมันทาได้หรือเปล่าเท่านั้นย นั้นก็ให้ทําได้อย่างนั้นคือว่าเราเอารูปธรรมมาเป็นเครื่องหมายแล้วว่าเราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็ขอให้ใจของเราเนี้ยพัฒนาได้จริงๆอย่างนั้นด้วยก็ให้เราเนี้ยเป็นนักให้ความสุขถ้าเราสามารถทําตนให้เป็นนักให้ความสุขเราก็จะดําเนินในทางของพระอริยเจ้าในทางของพระอราันทั้งหลายอันนี้แหละก็ถือว่าวันมาฆบูชาก็จะเป็นวันแห่งความรักแท้ แล้วจะว่าเป็นวันความสุขก็ได้เพราะว่าความรักกับความสุขในที่สุดเป็นอันเดียวกันตอนแรกก็เป็นความรักของนักหาความสุขแล้วก็พัฒนาขึ้นมาสู่ความรักของผู้ให้ความสุขก็นักหากับนักให้ความสุขเลือกเอาอันไหนก็คิดว่าเราจะต้องพัฒนาคนให้เป็นนักให้ความสุขแต่ว่าให้ความสุขอย่างที่แท้จริงนะ ให้ความสุขที่ในที่สุดก็ทําให้เขาพัฒนาไม่ใช่เพียงความสุขแบบเพียงพึ่งพาเท่านั้นเวลาให้ความสุขกับคนอื่นก็ต้องมองอีกหลายขั้นเหมือนกันขั้นแรกเราก็มองแง่ความสุขแบบเสพบริโภคก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาให้เด็กๆได้สิ่งที่เขาชอบเครื่องเล่นของอะไรต่อะไรชอบใจก็เป็นความสุขแบบพึ่งพาก็เป็นระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมจะหนักไว้ว่าจะต้องพัฒนาให้เขา มีความสามารถที่จะมีความสุขง่ายขึ้นทุกได้ยากขึ้นสร้างความสุขขึ้นมาได้ในตนเองและในที่สุดก็เขาก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วความสุขนั้นจะเป็นอิสระถ้าเป็นความสุขที่ต้องหาก็ต้องพึ่งพาด้วยไปถ้าเป็นความสุขที่มีในตนเองก็เป็นความสุขแบบอิสระไม่ต้องขึ้นต่ออะไรภายนอกเลยเพราะฉะนั้นในแง่ความสุขเนี้ยวันมาฆบูชาก็สอนเราเต็มที่เลยเราก็ให้วันมาฆบูชาเนี่ย เป็นวันแห่งความรักแท้และเป็นวันแห่งความสุขที่แท้จริงยอมจะเรียกว่าวันแห่งความรักก็ได้วันแห่งความสุขก็ได้เลือกเอาไหนล่ะวันมาข้าบูชาเนตตกลงได้สองชื่อนะจะเรียกว่าวันแห่งความรักก็ได้วันแห่งความสุขก็ได้วันวาเลนไทยก็เช่นเดียวกันก็ควรจะได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งวันแห่งความรักและวันแห่งความสุขถ้าไม่เสียดายไม่รู้จะเลือกอันไหนดีก็ให้ได้ทั้งสองอย่าง ให้เป็นวันแห่งความรักและความสุขที่แท้จริงอันนี้แล้วก็ให้วันมาคัพูชากันวันวาเลนไทน์นี้ไปบรรจบ ก, กันได้ก็จะเป็นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เข้าสู่ธรรมะที่แท้จริงนั่นวันนี้ก็เป็นวันสําคัญทางาพุทธศาสนาเราก็ควรจะมาจับสาระอันนี้ให้ได้เนี่ยก็คือความรักที่แท้จริงที่แสดงออกในการที่พระอาจาร์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ เตรียมตัวที่จะออกไปประกาศศาสนาสั่งสอนธรรมะเพื่อจะให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลกแล้ววันมาคาบุชานี้ก็เตือนเราให้รู้ว่าอ๋อจุดหมายของชีวิตนั้นเราจะต้องพัฒนาแม้แต่ในแง่ความสุขให้สามารถมีความสุขในตนเองและเป็นความสุขที่เป็นอิสระด้วยและความสุขที่เป็นอิสระนี้จะไม่มีโทษมีภัยแก่ผู้ใดจะเป็นความสุขแบบเผื่อแผ่ พอผู้นั้นเองเพอมีความสุขแล้วนอกจากไม่เปลียยเบียงใครแล้วยังมีใจพร้อมที่จะไปเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยมีแต่ว่าจะช่วยกันให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปโลกนี้ก็จะได้เจริญงอกงามมีสักติสุขนั่นเรื่องของความรักความสุขนี้ต้องมองในแง่การพัฒนาด้วยไม่ใช่มองแต่ในแง่ว่าเออมีความรักความสุขแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าความรักความสุขมันคืออะไรมันมีความหมายแค่ไหนแล้วก็อยู่กันแค่นั้น ปีหนึ่งผ่านไปปีหน้ามาอีกก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ไปไหนความรักก็ไม่พัฒนาความสุขก็ไม่พัฒนาแล้วก็มาตกมาเถียงมาว่าก็อยู่อย่างนั้นถ้าพัฒนาอย่างนี้พัฒนาความรักและความสุขไปได้เนี่ยจะริญ ง, ง่อม ง, งามวันวาเลนไทน์ที่มันมีข้อเสียมีบกพร่องไปก็เอาและยอมรับความจริงให้รู้ปัญหารู้ปัญหาเพื่อเราจะได้มาเตรียมตัวแก้ไขได้ดีขึ้นก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันไปก็บอกแล้วว่า ผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ก็ถือว่ามีโชคดีมีปัญหาให้มาแก้แล้วก็มีแบบสุขให้ทำนั้นถ้าทำได้สำเร็จก็เป็นผู้ที่มีความสามารถแท้จริงนั้นก็เป็นเรื่องที่จะบอกว่าท้าทายก็ได้ทุกท่านแล้วก็การทำอย่างนั้นนะก็เป็นการพัฒนาตัวเองไปด้วย เวลาเราไปแก้ปัญหาไปคิดสร้างสรรค์ทําอะไรแต่ไรทําแบบสุกหัดเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยชีวิตก็จะเลยงอกงามสังคมก็ดีขึ้นไปเราจะเห็นว่าเวลาสังคมมันเสื่อมถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับจะเลยขึ้นไปเพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้แบบสุกหัดแล้วก็จะต้องดิ้นรนแก้ปัญหาเวลานี้เราไม่จําเป็นต้องรอให้สังคมมันเสื่อมที่สุดบางทีเสื่อมที่สุดแล้วมันไม่ทันซื้นมันไปซะก่อน นั้นเรารีบรู้ตระหนักถึงภัยถึงอันตรายถึงความเสื่อมถึงปัญหาแล้วก็ตื่นขึ้นมารีบดำเนินการคิดหาทางแก้ไขพัฒนาตั้งแต่ชีวิตของตนเองเป็นต้นไปทุกอย่างก็คงจะกลับฟื้นคืนดีได้ก็โดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยเป็นสำคัญวันนี้ก็อนุโมทนาทางโรงเรียนโรงเรียนแนวพุทธวิถีพุทธที่พาครูอาจารย์ผู้ปกครองมา และผู้ปกครองก็อาจจะพาเด็กนักเรียนมาหรือนักเรียนอาจจะพาผู้ปกครองมาก็แล้วแต่ก็ชวนกันมาแล้วก็มีความสุขในบ้านอย่างน้อยท่านก้าวไปขั้นหนึ่งแล้วนะสําหรับในครอบครัวที่มีความสุขแบบเนี้คือความสุขแบบที่เริ่มเป็นความสุขแบบอยากให้ผู้อื่นมีความสุขชีว่าไม่ใช่แค่ความสุขแบบนักหาอย่างเดียว คุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีงามเราชวนกันไปวัดนะหนูหนูก็รักคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญบอกว่าวันมาครบุูชาแล้วนะคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญกันเถอะเนี่ยอย่างเงี้ยแียกว่าหนูหนูก็มีความปรารถนาดีมีความรักที่แท้มีเมตตาธรรมไีธรรมต่อคุณพ่อคุณแม่และความสุขในครอบครัวก็เกิดขึ้น สังคมก็จะเจริญงอกงามดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทรวาพาภก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิสาธุชนทุกท่านที่เราได้มาพร้อมเพียงสามัคคีกันทําบุญในวันมาคาบูชาซึ่งในวันนี้ก็พูดกันในแง่ความหมายว่าวันมาคาบูชานี้เป็นวันแห่งความรักและวันแห่งความสุขและก็รักและสุขนั้นเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความสุขที่แท้จริงด้วยจกนกระทั่งเป็นความสุขที่เป็นอิสระ ซึ่งเราจะไป็ผู้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหาของโลกแกป้ปัญหาของสังคมและช่วยผู้อื่นมีความสุขสมตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวและในวันมาคบูชาเป็นอันว่าวันมาคบุชาในความหมายที่เป็นสาระในวันนี้ก็ย้ําอีกทีว่าเป็นที่บรรจบใหบุอุดมคติสําคัญสองประการของพระพุทธศาสนาคือหนึ่อุดมคติเพื่อตอนเอง ในแง่ของการพัฒนาตัวเองให้บรรลุนิพพานเป็นผู้ที่ปรากจากทุกมีแต่ความสุขอยู่ในตัวและเป็นความสุขที่เป็นอิสระและสองก็ทำการเพื่อโลกหมายความว่าเมื่อตัวเองนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วก็ไปทำการเพื่อชาวโลกไปช่วยชาวโลกให้มีความสุขและเราก็พัฒนาคนเป็นขั้นขั้นให้เขาหนึ่งจากการเป็นนักหาความสุขความสุขสขึ่งพาสิ่งภายนอก มาเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะสร้างความสุขแล้วพระท่านไปสอนเนี่ยท่านไปให้ทำก็คือท่านไม่ใช่ไปให้ความสุขโดยตรงหรอกท่านไปให้ทำเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความสุขและสร้างความสุขในตนเองด้วยแล้วก็มีความสุขที่อยากให้คนอื่นเป็นสุขนั่นเองความอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขเป็นความรักที่ทําให้เราเอาความสุขนี้ ไปเผื่อแผ่โดยวิธีการที่เอาสิ่งที่ลึกซึ้งกว่า น, นั้นก็คือเอาธรรมะที่สําหรับเขาจะได้พัฒนาชีวิตของเขาเนี่ยให้เป็นผู้มีความสามารถมีความสุขได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปให้ความสุขโดยตรงก็คือให้ความสุขนั่นแหละแต่ไปให้ด้ววิธีไปให้ธรรมะการไปให้ธรรมะนะั่นก็คือให้ความสุขเพราะในที่สุดความสุขของเขานั้นจะมีด้วยตัวเขาเองด้วยการที่มีความสามารถสร้างมันขึ้นมา และการที่เขาสามารถมีความสุขของตนเองขึ้นมาแล้วก็จะถึงจุดหมายนี้ก็ดนการที่เขาได้มีธรรมะรู้ธรรมะและปฏิบัติตามด้วยการพัฒนาชีวิตไปได้ธรรมะนั่นเองเพราะนั้นในที่สุดก็คือธรรมะนั่นเองที่เราจะต้องนำไปให้แก่ผู้คนเพื่อให้เขาได้พบความสุขที่แท้จริงก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง วันมาค้าบูชาก็หวังว่าจะให้คติที่เป็นกุศลกระยา่าโยมแล้วก็นําไปใช้นําไปปฏิบัติเพื่อแผ่กั น, กนและกันเพื่อช่วยโลกนี้ช่วยสังคมนี้ช่วยกระทั่งทุกคนตัวของตนเองเนี่ยให้เจริญพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีความสุขที่เป็นอิสระอย่างน้อยเป็นคนที่สุขง่ายทุกได้อย่างเพิ่มขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็ขออวยชัยให้ผ่อนขอคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญอย่างน้อยได้การที่เรามีจิตใจเป็นกุศล ม, มีนับใจดีมีศรัทธาเมตตาเป็นต้นจงได้อภิบาลอวยชัยให้ทุกท่านจเจริญด้วยจตุลพิตพพรชัยมีกำลังพรั่งพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้อยู่การร่มเย็นเป็นสุขในธรรมะอพระสมเด็พุทธเจ้า สืบต่อไปตลอดการทุกเมือ่อเทิน